224. ศึกษาอาการเพศนิมิตรอุเทศของรูปกับนามคงจำได้ดีนะว่าอาการของเวทนานี้แหละที่จะต้องเรียนรู้กันอย่างสำคัญจึงจะสามารถทำให้เป็นพระวันติสำเร็จจริงซึ่งก็ต้องได้ฟังได้รู้จากผู้สำ ม, มาิฐิอธิบายอุเทศมาอย่างดีแล้ว นิมทิที่ผู้ศึกษาสามารถกําหนดหมายรู้ทำเครื่องหมายเอาเองได้จากอาการของเวทนานั้นๆหรือกิเลสนั้นๆซึ่งมีแตกต่างกาันเล็บเพศหรือลิงคาอยู่ในเวทนาต่างทั้ง18นั้นในจิตเจตสิก ต, ต่างเล็บโนปวิจารสิบเท่ากับเคหาสิตะเวทนา18 กับเนคคำมสิตะเวทนาสิบแปดแล้วค้นหาเหตุจากเวทนาซึ่งก็มีอากุศุลกิจที่ศึกษาได้จากกิจในกิจอีกเพราะผู้ยังมีอากุศุลกิจหรือตัญหาก็จะสามารถอ่านอาการของมันไดจากของจริงที่มันเกิดอยู่ในปัจจุบันนั้นในพระไตรปิฎกเล่ม10ข้อ59 พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดว่าเหตุนิทานสมุทัยปัดใจนั่นเองเพราะอาศัยเวทนาจึงเกิดตัณหาและเพราะอาศัยตัณหาจึงเกิดปริเยสนาลาภะวินิจฉโยฉันทราโคอัจโชสานะปริคโหมัชรียอารัคโขอารักขาที่กระนัง เพราะอาศัยการป้องกันอารักขงจึงเกิดเรื่องในการป้องกันขึ้นอารักขาที่กระนางอากูศุลธรรมอันชั่วช้าลามกไม่ใช่น้อยคือการถือไม้ถือมีดการทะเลาะการแก่งแย่งการวิวาทการกล่าวว่ามึงๆการพูดคำโสเศษและการพูดเท็จเกิดขึ้น นี้คือเหตุนิทานสมูทยปัจจัยแห่งการเกิดขึ้นของอากุศลธรรมอันชั่วช้าลามกเหล่านี้ถ้าการป้องกันอารักขามีได้มีแก่ใครใครถ้าการป้องกันอารักขามิได้มีแก่ใครใครในพบไหนไหนทั่วไปทุกแห่งหนเมื่อไม่มีการป้องกันโดยประการทั้งปวง เหตุนิทานสมุทัยปัจใจทั้งหลายก็เกิดขึ้นไม่ได้เลยเพราะความเกิดชาติคือชาติสัญชาติโอกันตินิพพติอะพินิพพติพระไตรปิฎกเล่ม16ข้อ7ผู้บรรลุอรหัตตาความไม่ลึกลับในอตาได้ศึกษาและปฏิบัติจนบนรรลุความเกิดทั้งห้านั้นสมบูรณ์สุด ถึงอะพินิพัติการเกิดที่ผู้สำ์ด้วยวิชาแปดทำให้เกิดสำเร็จแล้วจึงไม่ยึดมั่นถือมั่นในความเกิดใดๆแล้วสามารถอาศัยความเกิดนั้นที่เป็นความเกิดขึ้นซึ่งเป็นความเกิดขั้นอะพินิพัติอยู่ทรรมภาวะที่เป็นคุณอัสาทะเท่ากับความยินดีรสนิยม ไม่ทำภาวะที่เป็นโทษอาทินวะเท่ากับความไม่ดีผลร้ายอยู่เป็นประโยชน์แก่ตนแก่สังคมพระหุชนะหิตายะพ่อหุชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปผู้กรรมจัดเหตแทงวิปลาชได้แท้รสอร่อยก็สิ้นตัวตนไปจากเวทนาในเวทนาของตนจริง ความเกิดก็ไม่มีอีกความดับนิรถก็จะแจ้งสัจจิได้แท้ๆด้วยประกาศฉนิไม่วิปลาสไม่งมงายไม่มิชาทิฐิไม่อวิชาเลย